วิสัชนาทับกับท่านหลวงจานั่งตกขีนาเรียตนต่อมีอะไรเป็นเครื่องอยู่จรทิ้งรู้นะหมอมให้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่อาศัยได้เป็นเครื่องระลึกรู้ไม่ว่ามันจะเปาสบายมันจะคิดติดจองอะไร ถ้าแสงมันจะร ะ, ล, ะลึกรู้อยู่อยู่กับรู้เพราะว่าอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเจอหลวงตาเนี่ยก็<ม>จะเหมือนมันจะหลบหลบไปอยู่ ม, มุมอย่างที่หลวงตาพูดเลยแหละจะพอหลวงตาพักปุบว่าขันห้าเนี่ยเราต้องใช้เขาแบบเต็มกําลังของเขาอะ่ะ<ม>ก็เลยโอ้ก็เลยเมื่อถึงเวลาที่ทํางานแล้วก็แล้วก็ใช้ใ้เขาอะ่ะ<ม>แต่ว่า ขณะเดียวกันมันจะมีตัวรู้ใช่มเจ้าคบมีตัวรู้อยู่มันกดคู่กันไปที่เราอยู่กับรู้อยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้อาการมันจะดีเลิกประเสริฐยังไงก็ไปสิ่งที่ถูกรู้เครื่องอาศัยระลึกรู้ในปัจจุบันเราถ้าเราทิ้งการทิ้งรู้ในปัจจุบันไปอ่ะมันจะหลง เพราะว่าพอทิ้งรู้ปุ๊บมันจะไปคิดทันทีอเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติเราทิ้งรู้เมื่อไหร่ก็หลงไปคิดหลงไมมีอารมณ์เพราะมันเป็นชันเนลที่มันใช้มานานมากไอ้อสมองเนะี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือรู้รู้ที่ปัจจุบันขนาดปัจจุบันใชุ่ชกัวุขันขนาดถูกแล้หละหมออะไรแบบนี้แหละถ้าหมอไม่ทิ้งรู้ในในขนฐฐฐิดปัจจุบัน ต้องคิดตุกอาการปฏิบันแล้วก็อยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้มันก็จะไม่มีความทุกข์อะไรจะไม่ไม่หลงถ้ามาไห่แบที่รู้มันหลง ท, งทั้งทีเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปเหมือนเหมือนที่หลวงตาพูดอ่ะมันจะถ้าไปอยู่ในห้องอะไรที่ห้องเนี่ยอยู่ในห้องหรือในถ้นจะอย่างนั้นนี่ยมัน่ในอารมณ์อยู่ในความรู้สึกจะทุกข์มากสบายจริงแต่มันไม<ะ>่ไม่พ้นทุกข์ จะพอออกมามันจะด่ะปกติด้วยนะท่านนะใช่มันเมือนกับจะลาคาที่ลาคาอืมปกติถูกนะฮะในปกติอะกดคบไปเอาไว้เออมันไอ้ไม่ไปแก้มันซ่อนซ่อนพอไปมันมันเขี้บเป็นห่วงอย่อะไรก็้าไปซ่อนอยู่เลยอารมณ์อารมณ์ว่างว่างเมื่อคืนสี้ทีแก้ให้เบียรผู้สาเบียรผู้ษาก็เป็นพอไปแก้อยู่ในอารมณ์ว่างว่างโจท่านเก็ดเลือดมันต่าอ๋อ ให้เขาออกมาให้ออกมาอยู่กับรู้ให้เขาทิ้งไปหมดไออารมณ์บ้าก็ทิ้งไปไม่เอาเห็นรู้อะไรแล้วเห็นแล้วทิ้งไปทิ้งไปอยู่กับรู้อย่างเดียวรู้อะไรแล้วเห็นแล้วก็ทิ้งไปอย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้อาการที่รู้ถูกรู้เพียงแค่เครืออาศัยได้รู้แล้วก็ป่ายผ่านไปผ่านไปผ่านไปล่อยผ่านไปให้อยู่กับรู้ไม่ไปติดอาการที่ถูกรู้หน้าแดงลูกตํารึงเลยนายบอกว่าลอยจานหน้าแดงลูกตําลึงเลยก็ออกก็ได้ จากประ ห, าระะะหลานน<ม>ี่ครับแล้วหมอบอกว่าเขาเป็นโรคเดียวกับผู้พวงก็ดูแล้วไม่ใช่ฮรหนุ่ยใช่เอาไปแช่เป็นโรคแช่ ม, มันแช่เลยอยู่ในใจที่สบายแใจที่ว่าพอแช่มากเขากันเกล็ดเลือดต่ํามืนกเกล็ด<ม>เรื่องไม่ใช่ไอ้จิตมันทางานผิ่ปกติระบบไหลเวียนของของร่างกายระบบไหลเวียนของเลือดมันก็เลยผิดปกติ<ม>ทีนี้อย่างคุณไข้ที่หมอดูแลนะจ๊ะพะ้าจะมีอะไรแปลกๆพวกเนี้ย เป็นโรค autoimmune น่ะเป็นไงโรอะไรนะก็คือมีมีสารขึ้นมาต่อต้านตัวเองสารเช่นเรื่อง auto antibody อะค่ะอืมอืมันน่าจะมีส่วนนจากพวกนี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะนี่หมอเขาพูดอย่างนี้คนนี้ก็เป็นเขาบอกว่าโรคที่มันเป็นโรคแบบพุ่มพวงอะโรคคืออะไรล่ะมัน S-L-E เอลออนี่อน่ผมมาดูแล้วไม่ใช่หรอก พวกนี้มันไปแช่อยู่ในเบาสบายแช่ย<ม>ในความรู้สึกเบาสบายพมถูกกระทบแล้วก็หนีเข้าไปในความว่างเลยถูกกระทบแล้วก็หนีเข้าไปอยู่ในความว่างเป็นคนไม่พูดนะมันก็เลยถูกกระทบมากเข้ากันหนีเข้าไในความว่างแล้วก็ไปแช่จนวระทั่งแบบนี้มันไม่ระบบจิตมันทํางานผิดปกติระบบเลือดมันก็ทำงานยู่ปกติแต่นี่ฟูมกุ้กันก็บอกพ้องเ<ม>นี่ยเขาก็บอกไปโลกเดียวเขาพุ่มพวงไปดูแล้วทํมามืคืนเนี่ยเขาก็อยู่ันเยอะบอกให้ ออกมาออกมาจากนั้นให้รู้รู้รู้อะไรแล้วทิ้งเลยอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้รู้อะไรแล้วทิ้งปล่อยวางไปทิ้งปล่อยวางไปทิ้งปล่อยวางไปสุดไม่เอาอะไรไม่จับยึดไวสักอย่างเดียวอุ้ยหน้าแดงเป็นโรคจำรึงเลยคือปฏิบัติต่อหน้าถ้านเลยตอนหน้าเลยทางอาจารย์เรี่ยวัานั่งตรงหน้าเลยคนเข้ามาหน้าซีดระบบหมอบอกเป็นโรคเดียวกับพุ่มพวงหน้าซีดมากเลยไม่มีแรงดูไม่ใช่อ่ะ แค่แค่ในความรู้สึกว่างๆกบอสบายทีนี้อย่างเวลาเราปรับเข็มให้คนไข้นะเจ้าค่ ะ, ะก็คือตอนนี้พยายามให้หมอยุ้ยเขาทาหน้าที่แล้วก็าหาหมอบางคนหนึ่งหมอก็จะเหมือนตัวแบ็กอัพให้ทนนั้น <c oughs> แล้วก็ที่จะแบ็กอัพให้สมวนมากก็เรื่องจิตนะเจ้าค่ะคือบางคนไข้ก็ท่ร้าส้อยหรือว่า เราก็จะนั่งนั่งคุยอะไรช่วงนี้แล้วจอืคแต่ว่าธรรมะหลวงตานี่สูงมากอืมมีมีมหนนึ่งนะจ๊ะพระที่ตอนนั้นที่ทหลวงตาตอนนั้นหนาวมากเลยอะ่ะแล้วหลวงตอนนั้นบมอเขาไม่มีคนขับรถแล้วหลวงตาให้น้องแอมกับเด็กน้องอะไรนะที่ต น, นี้กับชาลัสรายไหนชาลัสรายไหเออใช่นะกลับมาแล้วกับนี้แหละกับน้ายแล้วออ แล้วขับรถไปรับหมอมาแล้วน้องแอมน้องพิษใชกดย่งนีนะพิษพิษพิษเชียวน้องพิษเนี่ยเหรอ๋อน้องพิษฉันก็บอกว่าเนี่เมารับพี่เนี่ยคุณเห็นหลวงตาถึงนเต้นอย่างนี้เลยนะว่าต้องไปรับมาให้ได้ทีนี้หลวงตาก็ให้มาพูดให้มาเก่าำทำอธิษฐานจิตมื่อไเรายังตัดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ถึงนักถนะดจิต น, น, น, นั้นน่ะอืมมันมันไม่ได้มันเลยไปแล้วนั่นน่ะไม่ต้องไปคิดแล้วใช่ไหมคะมแต่ไอ้ น, น, น, น, น, น, นั่มันยังไอนั่ยังไม่มันยังเบสิกอ๋อเจตอนนี้มันผ่านมาแล้วแบบนี้ดีกว่าอืมอยู่ว่ารู้อย่างปัจจุบันรู้รู้ขนาดที่ปัจจุบันอยู่กับรู้รู้คจะไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้เนี่สัว์รู้ดีกว่า ไม่ต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงแล้วไม่ต้องคำนึงถึงแล้วเอาปัจจุบันรู้ปัจจุบันจะทิ้งรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้อาการปัจจุบันรู้คิดปัจจุบันรู้การปัจจุบันที่วรู้พอปล่ทิ้งรู้ไปคิดทันทีเลยจัดจัดธรรมะหลวงตาโหเนาะละเอียดแล้วก็ทรงพลังมากเลยก็ค่ะมันเหมือนมันเหมือนเข้าไปกับท่อออกมาเลย นี่ก็โอ้โหก็แทกเมื่อเวันกะแทกของของพันนันทวันให้แตกออกมายังยังยังยังยังงงงงเหน๋ยวแต่ก็น่าจะไม่นานอีกไม่กี่ปีพวกพของท่านนันทวันค่ะที่เป็นผู้พยาศใช่ใช่เหมือนท่านเป็นรองประธานเภวัฒนวัฒน์แต่มันยังไม่แตกงงซะงงงมันยังไม่กระจายอยู่กัรู รู้จมต谛อาการที่ถูกรู้รู้มันมีอาการแต่รู้อาการอย่างเงี้ยมันก็เลยแค่ก็งงงงพอไปยิ่งคิดยิ่งยุยิ่งงงยิ่งมันกลายไปเป็นไปเป็นคิดมันไม่เป็นรู้ซะแล้วหมอเขาเข้าใจนะใช่ไหมยิ่งไปงงงยิ่งหารู้มันยิ่งไปคิดมันเป็นรู้แล้วไปตามตามไม่ได้เลยมันต้องหยุดคิดเดี๋ยวแต่รู้มันจะเป็นรู้ อย่าไปคิดหารู้เพราะจะได้รู้ยังไงมันเป็นยังไงที่เป็นรู้คิดใหญ่เลยเป็นนี้ไม่เป็นรู้หรอกไปคิดหมดมันตรงธรรมะตอนละเอียดเนี่ยมันจะเ <c oughs> จะที่หลงตาเตือนนั่นแหละ ว, ว่าให้ระวังเนี่ยเพราะว่าหลงตาเขี่ยให้เนี่ยแล้วเราเกตไปแล้วเราจะต้องโพลูตรอะ่นะเนาะต้องต้องเพียนแล้วก็แล้วก็ต้องมาเจอหลงตาเป็นระยะแหละ มันงมันก็จะไปกลับไปร่องเดิมจะแบบเดียวกับเมียผูุ้่งสารเมื่อคืนะะจะกลับไปร่องเดิมอิสสบายใช่อาจารย์ขาออกมากเลยรับเดิมเนี้าไปอาจารย์ขาออกมาแล้วออกจากตัวสบายอ่ะก็ยังกลับเข้าไปสบายอาจารย์ก็พยายามอธิบายว่าให้มีเจ็ตัวรู้คแต่ว่าเขาก็คงยังไม่เข้าใจอ่างเงี้ยก็ยังกลับกลับไปเพราะมันติดสบายใช่ใช่ เขาสบายนี่มันสบายมันก็เลยทำให้เขาป่วยอ่ะก็บางอีชาวพูทาามาคนอย่างพุทธาน่ะแล้วเจ้านี้ก็ติดสบานกันอ่ะอธิบายยงไงมันก็บอกว่ามันความความดีความสบายความเป็นสุขนี่มันไม่ดียังไงมันงงๆอย่างนี้แหละเราพธิบายพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรหมดปัญญามันเหมือนกับเป็นเวลาเหมือนกันนะเจ้าคะเป็นเหตุปัจจัยนะเจ้าคะ คือบุตานว่าคืนนี้มามาเริ่มต้นมาที่ตรงนี้เลยมาที่ติดสบายใจดีใจเป็นสุขช น, นิดพอบอกว่าให้มันออกจากตรงนี้ให้มันมาอยู่กับรู้แล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่าอีกมัยต้องออกไมที่มันดีอยู่มันจะต้องเข้าไปให้อยู่ตรงนี้ในนี้ให้ได้ต้องรักษาตรงนี้ไม่ได้ความดีความเบาความสบายความเป็นสุขเนี่ยมันยิ่เสียหายไปให ย, ย่แล้วมันก็ไม่เข้า ใ, ใจว่ามันเสียหายอย่างไรแล้วคุณหมอที่ตานนั้นุ่งตา ที่ตามหลวงตาไปที่สกุลที่เกาะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนเออไม่รู้เลยเนี่ยตอนนั้อยู่กรุงเทพมหาทีแล้วตอนนี้กลับไปยังรุ่นไหนกลับมาดูพ่อหรือแม่ที่ป่วยที่นั้นว่าหกล้มแล้วก็กระแทกแล้วก็ดีขึ้นแล้วมันก็มันจะไปแล้วแล้วทีนี้ทองเขาบอกว่าเออเราจะไปไหนดีไปสวรรค์ดีกว่าแล้วหลวงตาบอกโอ้ยเป็นลูกศิษย์เรามนตั้งนานก็คือนั่นนาทีนั้นก็คือต้องอยู่อยู่รู้อยู่กับลูกเดยวเพราะว่าลูกเป็นนิพพานธาต ก็ดีอยู่ก็รู้ได้ที่เป็นนิพพานแต่มาที่สิ้แล้วก็ดีมากที่ที่มหาที่เตรียมคนหลักสี่ทั้งหมอทั้งเมียเนี่ยมันละยากสุดมาดีมากเลยแต่นี่ก็เออลืมไม่ได้ติดต่อโทรกลับไปเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่น้องก็อยู่ในกลุ่มไหมคะไม่อยู่เดี๋ยวโทรกลับไปว่าอยู่ไหนให้ให้ถ้าอยู่ที่นี่ให้ตามมาส่งเลย มันยังอยู่เทปรึเปล่ามีที่ที่หลวงตาอยู่ในเทปที่บอกมีฝรั่งมาจะมาฝึกแล้วมาถามหลวงตาว่าจะได้อะไรอืแล้วเป็นกลุ่มไหนใช่ไหมฝรั่งกลุ่มนั้นที่หลวงตาบอกว่าโอ้ยท่าคิดจะมาได้อะไรเลยไม่ต้องเลยอวกมาจากเมืองนอกอะไรพวกมาจากมหาวิเลยจีเอยวจากฮาวาดอ๋อมันมาคนไทยพวกมาไทยแล้วมาถาม ไม่นหลังที่บายย่างนะจุกฮะ <c oughs> ว่าเราทําเพื่อละออกอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ช่อย่างเนี้ยอย่างก็คือยนะอย่างไงเจ้าที่มาจากปูตาเน่ะบอกว่าไม่ดี<ม>ยังไงอะความดีความสงบใจเป็นสุขนี่มันไม่ดียังไงบอกไม่ใช่มันก็ดีอาการมันดีแต่เราปจิตมันแล้วไม่ดีอาการมันก็ดีอยู่หรอกแต่เราประจิตมันเลยไม่ดมีมันก็เป็นกิเลสตัวนี้ใช่ใช่ปจิตพวกเป็นกิเลสแล้วทำให้เราป่วยนี่ไงเนี่ยเมียลูกษาวนี่ป่วยจนเก็ดเลือดต่ําไปเลย อาการมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่มีดีไม่ดีหรอกมันก็เป็นแค่อาการค่ะแต่พอเราไปจิตมันเลยไม่ดีเลยเป็นกิเลสไปเลยอืมหนึ่งที่หลวงตามบอกว่ามันก็จะมาบางังแต่พ่าตอนต้นๆเนี่ยต้องอา ศ, าศาัยก่อนเพื่อักเบื้องต้นของออริจินอลแฟ๊์หนึ่งอะ่ะ <laughs> ก, ก็คือก็คือไอ้เรืงเป็นอารมณ์นนถ้าเราจ ะ, ะมาแล้วไปจิตมันให้รู้ว่ามันเป็นแค่ทั้งผ่านอะก็เป็นอารมณ์สมถะไปใช่ค่ะ มันมืนเป็นทางผ่านตอนต้นๆที่ต้องผ่านใช่ไหมครับเป็นทั้งสอค่ะก็คือตอนพอระยะหลังเนี่ยมันมืนตัวจิ๊กซอวนะทุกผู้คอับที่ครูบาอาจารย์สอนมาแต่ละองค์แต่ละท่านมันเหมือนเป็นค่อยๆเป็นเรียงเรียงเรียงงเรีย ง, ยงียงกันมาว่าองค์ไหนมาสอนเราตรงไหนแล้วเราเข้าใจเวลาพอจะเข้าใจเป็นยังไงเนี่ยที่เราไปรู้มาจากครูบาอาจารย์รู้จากตำราอะไรมันค่อยเรียบเรียงเข้ามาเรียบเรียนเข้ามา นี่กับมอบอกเป็นมะเร็งระยะที่สาม่ยแต่ก็แต่แรกนึกว่าไปแล้วมาฝึกไปฝึกมามาภาวนาไปภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธหายได้เนี่ยที่ไหนคะจ่ที่ไหนคะใอ้ตรวจมาปฏิบัติอยู่เดินขึ้นกว่สองเดือนอือาไปไปเช็คที่ศูนย์มะเร็งเพิ่งใหม่เพิ่ขึ้นใช่ไหมคะ เพราะว่าเพราะอย่างนี้ค่ะเมื่อสักเดือนที่แล้วพอดีทางพ่อมงกุฎขอหมอให้พูดเรื่องมดิเทชันกับเรื่องความเจ็บปวดคนอีกเพ น, น่ะคะ่ะทีนี้หมอก็เลยไปเสิร์ชอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะจ้ะค่ะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีสารสารพอเราเข้าเข้าสู่ การปฏิบัติแล้วของฝรั่งก็ไปไกลเหมือนกันนะฮะมีวิปัสนามีอะไรขอยเขาก็แตกตื่นเงินมากใช่ในสายโรงพยาบาลไปไปเยอะไงสายโรงพยาบาลไปเปิดวัดเปิดสาขาทางอการบริการเยอะมากเลยมีฝรั่งมีคนไทยไปปฏิบัติเยอะมากแล้วเขาก็มีมีเป็นการรักษาคนไข้ด้วยเวนิเชัร์ชันเซ็นเตอร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆของสหรัฐสี่ร้อยกว่าแห่งที่เอา เอาโครงการนี้เข้าไปแล้วเขาก็จะมีหกอาทิตย์แรกเนี่ยเขาก็จะมีนําปฏิบัติสามชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็พอกลับบ้านเนี่ยหลังจากพอเข้าคอร์สที่เข้มข้นแล้วเนี่ยกลับบ้านก็จะมีเสียงเสียงเทปเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันอย่างน้อยเวลาห้าสิบนาทีจะต้องฟังธรรมะแล้วก็ตลอดวันก็ให้ให้รู้ให้รู้ ไม่ว่าจะอยู่ในราบบใดหลืออะไรให้มีตัวรู้อืมอืมแล้วก็พูดตัวรู้เหมือนกันฮะเขาใช้คำว่าอินไซต์แปละอะไรอิในไซต์แปลว่ารู้ภายในรู้ภายในรู้ภายในคือเรียกว่าอะไรอ่ะรู้เนืรู้ตัวเดี๋ยวค่ะอืมอืรู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหากว่าหลวงตาต้องการสับที่เขาใช้เสื่อมีลูกษิณฝรั่รงดีเลยครับเดี๋ยอวอา มคืนก็มีพยาเนี่ยพูดกันให้ด็อกเตอร์มาเชิดแปลมันยากมากเลยพวกกับพูดตาคนหนึ่งเขาเองเขาก็ไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าที่มันมันสื่อภาษานียากเหมือนกันรือเายากมากเลยครัเดี๋ยวเดี๋ยวอามารเคยเสิร์ชเจอเหมือนกันครับมันเป็นศัพัภาษาอังกฤษสำหรับทำมาเลยสบายเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะเอาหนังสือเล่มนั้นมาเรื่องพุทธบำบัต พุทธบรมบัดรแล้วเขาเน้นนั้นก็จะมีทีนี้ตัวหมอเองเนี่ยหมอก็จะปริ้นออกมาไหว้หมอเอาที่ปริ้นมาให้ดีไม่ต้องพาระเอารามาอ่านแล้วได้คุ้นกับคาศัพท์ของใช่<อ>ใช่ได้คุ้นศัพท์เดี๋ยว <ๆ S 1> ดีหมอฝึกหนึงเลย <laughs> อ่ะเพราะเวลาหมอจะสอนนึ่งเนี้ยหมอก็จะไปคน้นออกมาให้หมดอ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะค่ะนั่นก็จะมีศัพท์คํามาเลยต่ออะไรเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าถ้าครูบาตูถึมื่อถ้าหลวงตาท่าน ไอ้คำนี้นี่ภาษาอังกฤษทางกจะใช้ตัวไหนสมมตินะฮะคุณประตูลงส่งขึ้นมาในไลน์ถ้าระหว่างนี้นะจะพามเดี๋ยวถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษภาษาใจพูดยากคนไทยด้วยกันเนี่ยเรียกว่าพุทธไทยเลยว่าเช่าต่างชาติเลยคือสมมติถ้าจะไปถึงตรงนู้นแล้วเนี่ยมันไม่มีคําพูดนะนะเจ้าคะนี่อยังหมอก็พูดกับคนไทยได้กันแต่เดียวเลยเนี่ยพูดมากี่ปี่ มันไม่ได้ ง, ง่ายงไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายแล้วเราก็ต้องดูเขาด้วยว่าเขาสนใจหรือเปล่าอช่มันต้องดูว่าพื้นฐานนะเขามีต้นทุนวาเท่าไหร่แต่ระยะหลังนะคจ้าคะหมอจะอธิษฐานผิดบอกว่าขอให้คนที่มาเจอเนี่ยเป็นผู้ซึ่งเราเกื้อกูลกั น, กนที่เราจะรักษาเขาได้แล้วเขาก็ไม่ดือ้อแล้วก็ไม่งั้นเหนื่อยนะเจ้าคะเพราะว่าหมอหมอจะไม่ได้ดูแลแบบแบบ เท้ามาเจ็บแล้วก็เอาอยากินแก้เท้าเจ็บอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะหมอต้องเขาไปรื้อดูอ่ะอย่าเมื่อวานนี้รองสํานัก ง, งบประมาณเดือนเดือนก่อนมีอายการคนหนึ่งเขาจริงๆเขาเป็นเกาแต่เขาไปรักษาอยู่กับหมอทางไหนสักทางหนึ่งอ่ะแล้วก็กินแต่ยากแก้ปวดจนกระทั่งจนกระทั่งไตเสียเลยอ่ะเคี้ยตินินสี่อ่ะต้องเปลี่ยนไตละ จนน้องสาวพี่สาวแย่งกันว่าจะบริจาคตาให้น้องคือมานี่คือน้ำตานองหน้ากัน่ะแล้วก็พูดภาษาไอ้ผู้อายการนี่ก็เดินลากขาเดินลากขาแต่แล้วพอมาดูดีดๆก็ยุ้ยก็ดูทางแพทย์ปัจจุบันหมอก็ดูทางจิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูจริงๆทุกอย่างเป็นเกา<ม>เพราะฉะนั้นเอายาแก้ปวดออกหมดเลยโอ้โหตอนนี้สบายแล้วก็แคตินิโลมาเหลือสองดยค่ะ พวกอะค็อเสียพวกนี้ายาแยรงๆอ่ะที่แก้ปวดมันทําลายไตนะดูทําลายกระดูกด้วยฮ่ า, ลาแล้วก็าาขาแบบขวา ข, า, ขาเนี่ยปูจะกระดูกไม่เท่ากันเลยเห็นคนกี่นินใช่เพราะงั้นที่หม อ, อยังไปสอนเขาอยู่เนี่ยก็คื อ, อ, อคอยไปกระตุกกระตุกว่เวลาดูคนไข้นะตามไปถึงผู้ร้ายตัวจริงด้วยเถอะเราจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราจะได้บุญเยอะนะ ก็จะเอาเอาเคสให้ดูด้วยสิคะถ้าเราพูด ล, ยลอยๆไม่ได้ต้องมีเลยเคสนี้อย่างนี้นะที่เป็นแม่หมอนั้นเนี่ยกินยาลูมาตอยนโดยที่ไม่ได้เป็นมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยคือเจาะเลือดแล้วก็นึกว่าเป็นละแต่จริงๆรายละเอียดอาการนั้นไม่ใช่มันเป็นข้อเสื่อมมันมีอย่างเงี้ยเยอะนะสิคะ<ไ>ก็เลยเมื่อคืนจริงๆว่าเมียเมียปรึกษาเนี่ยหมอบอกว่าเป็นระบบภูมิแพ้ภูมิผัว ถ้าใครดูแลเขามัหมอที่ไหนเขาบอกว่าเราผูแเฝ้าผู้พวงไปดูแล้วไม่ใช่เป็นที่จิตพอปรับจิตได้ก็หายเลยแต่ว่าในความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกนะคะว่าที่ต้องเป็นประโยชน์สุดก็คือ ทใช่ว่ากัิติดอ่ะกัดติดจุจอกัดติดจุดจอต้องให้มันต่อเนื่องอกัดติดจุจอกับรูต่อตะวารุนี่แน่ให้อยู่กับรูเดี๋ยวลงไปอยู่กับอาการที่ถูกรูในตาขนาดจิตดีกว่าต้องต้องให้ต่อเนื่องอ่ะคือของดวงตาเนี่ยจะคือตอนแรกหมอก็ยังจะว่าจะเพียรอยู่กับสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องที่เจอเจอท่านที่ลวงตาที่ที่เซียงคงครั้งแรกที่มาลวงตาดุเลยอ่ะ หลวตาดุบอกให้ไปนู่ น, นแล้วไปปล่อยได้แล้วตองอุปทานแล้วตรงตรงนน้นก็เลยกระตุกขึ้นมาเหมือนกันไว้ทำไมถอยไปอยู่ตรงนั้นอีกละไม่เหมือนไค่ร่องเดิมอะ่ะฉะนั้นต้องต้องมาเจอหลวงตาเป็นระยะไม่งังก็มาอยู่กับรู้ได้แหละมันก็หลุดตีแก่ะไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรูก้ไปอยู่กับอาการที่ถูกรูก้ มันไม่อยู่กับรู้อะอยู่กับรู้มันคือมันไปอยูไม่ไปอยู่อาการที่ถูกรู้อยู่กับรู้คือรู้มันคือสักแต่ว่ารู้มันอยู่กับรู้ไม่ไปอยู่อาการที่ถูกรู้แต่นะไรเป็หมายเอาการที่ถูกรู้คือรู้แล้วต้องว่างโล่งผูกเบาสบายมันไปเอาอาการที่ถูกรู้เป็นตัวหมายไว้รู้แล้วต้องนิ่งต้องสงบต้องว่างอันเนี้ยมันแย่เลยอย่างเมื่อเมื่อเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหภรรยาของลูกสารกืบตายเลยอืไป หมอบอกว่าเป็นโรคพุ่มพวงดวงจันทร์โรคเดียวกับพุ่มพวงดวงจันทร์ไอ้โรคเขาเ ร, เรียกอะไรนะรูปัสลูปั ส, ปสเออแผลผลผุไฟไฟฟ่มงการตัวเองอะ<ส>่ะแล้วโอแบบว่าซีดแล้วก็บอกว่าสภาพแย่เลยอะ่ะสภาพแย่แบบซีดมากเลย<ส><ส>บอกว่าเก็ดเลือดต่ำมากเลยอะ<ส>่ะเราดูเอ้ไม่ใช่อ่ะ พาสามีพามาด้วยลูกความลูกมาด้วยเราดูแล้วี่ไม่ใช่นี่มันจะกิตแช่ติดแช่เราพูดยังไงสามีพยายามแย่งพูดอย่างเหมือนไงภรรยาเขาเป็นลรคอุ้มพวงหมอเขาบอกมาแล้วโรคอุ้มพวงลโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเอเกล็เลือดต่ามากนะเลือดต่ํำหมดเลยเสียดีมากเลยอ่ะเราดูเอไม่ใช่ใชใชนี่มันโลคมันแช่ แช่เบาสบายแช่เราบอกว่าทุกสายจแช่ตังแต่ยังเด็กๆกันนะมันแช่ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแบบว่าเกล็ดเลือดมันต่ํามากเลยน้องแพงมันเคยเป็นก่อนเนี้ยเป็นจนขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยไม่ได้เลยอยู่นิวซีแลนด์แช่เบาสบายแช่ใจสบายสบายไงแช่จนกระทั่งเก็เลือดต่าไปเลยอ่ะโอ้กูอ่ะ อืมเรื่องไม่หยุดอืมต่อกับมาต้องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ออกไปข้างนอกแล้วอากาศร้อนมากฮใช่ร้อนนะตอนนี้ระวังต้องระวังตัวคือไปแล้วมันเราไม่อยากลงรถมันร้อนฮะคือ เดี๋หมอท้เอามาเอานะเอนใกล้กันเลยนั่งใกล้กันเลยเอาไป่ไค่ะไม่ต้องใช้ใเียงังเอใช้มาอันนันอ่าวเอาไหมให้พวกก็หน่อยพระท่านวันนี้วันนี้ต้องวันวันรุ่งขึ้นต้องมาที่นี่ใช่ไหมคะ นี่คือเมื่อวานท่านไม่เหตุการณ์เมื่อวานพานกักกลางคืนแล้วเนาะหมอไม่ได้ใช้โลบเลยอะฮะแล้วก็เด็กเขาก็เตรียมตัวละ ว, ว่าอย่าต้องมาแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยตึกก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมากินอะไรต่อแล้วก็กินยาแล้วก็นอนแล้วที่นอนไปอะก็นั่งในเอนอนในมันมันเป็นจิตผสมด้วยหรือเปล่าเพราะมันกายอะใช่แต่ว่ามันน่าจะเป็นจิตผสมแต่พอมีความรู้สึกว่าจิตผสมอะหมอเชื่อไหมอะตอเราก็เลยลุก ลุกได้เลยลูกได้แล้วก็แต่งตัวทาำน่นทำนี่สักพักหนึ่งอ่ะออกมาแล้วก็บอกว่าสุรีสุรีเธอเดี่ยเหงือกฉันออกละคือพอเหงือออกเนี่ยนะคะมันมืนมันมันไม่ใช่แล้วค่ ะ, ะเพราะว่าอีตอนที่โปอยจิตมันเข้าไปข้างในแล้วมันไปเกาะ อ, อยู่กับ อ, อาการพอรู้สึกว่าตรงไหนเป็นจิตที่เราก็ไม่ไม่ไม่นอนต่อแล้วเราก็ลุกทํำนู่นทำนี่แล้วมาถึงที่นี่ปุ๊บอ่ะก็ งานรอเลยเพราะว่าเราจะทําระบบน้ำให้มันหยดเพราะว่าแต่กต้นไม้มันตายหมดแล้วอยู่อีกค้อนวันแล้วก็ก็ร้อน<ะ>ก็ร้อน<ะ>ก็ก็อยู่ได้<ะ>ก็ปกติที่หมอว่าทีท่ที่หมอจะเตือนนะไม่รู้ไอ้ผงชูรสหรือเปล่าผงชูรสไม่ใช่ค่ะมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ได้กินอาหารแต่น่าจะเป็นที่ว่ามันมาจากกายด้วยเพราะว่ากินน้ําน้อยด้วยวันนั้นเพราะปกติถึงจะเอาน้ําติดรถไป เอางันไม่ได้สิหรแต่ความจริงมันมีแต่แต่มันขวดใจแล้วก็เราก็มองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นไงเราก็เลยมันไม่ได้กินน้ำแล้วก็กินข้าวบางวันเลดไปหน่อยนึงรู้สึกเยน็นมากเลยแล้วก็นอนแล้วก็ความจริงมันคงหายแล้วแหละแต่เร า, เ, ร า, เ, ราเป็นมีความรู้สึกว่าเรายังไม่หายแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นจิตมันบวกจิตเข้าไปด้วยแง่เลยรู้สึกแค่เนี้ยแล้วก็ไม่นอนละลุก ก็เป็นปกติสองคืนแล้วะจากจากวันนี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะนะคะก็คุยว่าจริงๆแล้วมันบวกจิตเข้าไปด้วยแต่กายมันคงเป็นจริงๆด้วยเพราะว่าเพราะว่าเวาดูคนไข้นะถ้าเราไม่เียกพีราเพราะว่าทางกิตเนี่ยนะถ้าคนไข้ที่โดยเฉพาะพี่โลเนื้อหลัง ดูแลเราดูรู้สึกเขาก่อนในความรู้สึกของตัวเองนะถ้าจิตทุดดีแล้วเนี่ยโรค้าหายไปค่อนเลยอ่ะเหลือที่จะรักษาจริงๆเลขคงเป็นเยอะมากหมอเขาจะบอกเขาจะบอกคุณไข่แหละว่าโรคมันจะเชื่องหรือมันจะดุคือคือตอนที่ตอนที่หลายปีแล้วนะคะ ตัวนอนจะนอนนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอพอนอนทั้งคืนนอนทั้งคืนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกง่วงต่อแล้วก็สมัยนั้นเขาก็ไปทํางานพอถึงตรงเขาออกจากบ้านติด ป, ประตูจะสามารถนอนได้ติดถึงเที่ยงจะเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งนาน <c oughs> แล้วไม่รู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วมราเป็นที่จิตเราคิดว่าเราเราเป็นเรานอนไม่พอต้องคิดว่าจะทานหนึ่งชัง ไม่มีหรืตอนหนึ่งที่หลวงตาบอกว่าเมฆมีเมฆ ม, มาคุมอยู่ที่บ้านหลวงตาเปรียปรยปร้ยงเปรียงอะไรนั่นอ่ะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้ น, นเจ้าคะหมายควว่าเด็กน้องคนที่กําลังล้างรถเนี่ยเขาเขาบังเอิญจิตเข้าเป็นมันตอนนั้นขนาดนั้นนะมันบริสุทธิ์มันไม่มันไม่มีกิเลสอะไรไงเขาไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรค่ะแต่เขามัน มันเป็นธรรมชาติที่ที่ไม่มีความปรุงแต่งอะไรในขนาดนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็เหมือนเกินพลังอะฮะเป็นพลังที่จะรวมกวิดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วทงนี้ที่บอกว่าถ้าหาว่าถ้าหาว่าอยู่ในสภาพนั้นลหลวงตาสามารถพร้อมจะบวชไหมหก็คือสมมติว่าถ้าถ้าเกิดจะเป็น รวมเป็นพลังนั้นจริงเนี่ยแล้วถ้าไม่บวชเนี่ยทา่าขันของของปุถุชนนี่จะรับไม่ได้หรอเจ้าคะที่ว่าที่ที่บางครั้งเนี่ยจะมีบอกว่าถ้าหากถึงรรลถึงพระธรรมทาาแล้วเนี่ยจะต้องบวชภายในเจ็ดวัน เมื่อก่อนไม่<ฆ>เมื่อก่อนเนี่ยแต่ก็ไม่ยังไม่ได้นั่นนะ<ฆ>คื อ, อ, อถ้าสมมติว่าคารวาะเนี่ยถือสีห์้าบริสุทธิ์แล้วข้อสามถือพระมจันทร์เนี่ยแล้วปฏิบัติเข้าถึงรู้เนี่ยนะ<ฆ>อยู่กับรู้ไม่ไม่ปติดอาการที่ถูกรู้ทั้งหมดอ่ะอยู่กับรู้ที่ไม่ไม่มีอาการใดๆรู้นไม่มีอาการใดแต่รู้แต่อาการทั้งหมดมันติดแค่ถูกรู้嘛 แล้วเขาเข้าถึงไอ้ธาตุรู้เนี่ยที่เป็นนิพพานธาตุเนี่ยที่ไม่มีกิยาการได้แต่รู้กิยาการทั้งหมดเนี่ยทุกขณะปัจจุบันคือเข้าถึงธรรมธาตุเลยธรรมธาตุนิพพานธาตุไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นคารวะเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานเอาบ้านบ้านและใจของตัวเองอ่ะเป็นวัดเป็นวัดซะ อาถรรพ์อาบ้านและใจของตัวเองเป็นวัดเอาตัวของเองอะบวชซะบวชใจคือบวชใจให้บวชใจซะบวชใจอริษฐานบวชใจแล้วเอาบ้านเป็นวัดอเอาบ้านเป็นวัดเอากายเอาใจของตัวเองเป็นวัดอือริษฐานบวชใจก็คือก็คือเนธธรรมะเหมือนกันอช่ไหจเจ้าพระเจ้าโอเข้าใจแล้วค่ะ ไม่เจ็บไม่เจ็บพอดีหลวงตาท่านไม่ตายนั่งก็นั่งเ่าจริงนั่งแบบนี้ได้พอีตอนที่น้องโอตอนนั้นที่ได้ไปมีโอกาสไปส่งหลวงตาที่วัดนางนิมิตรเมื่อปีปีห้าหกเนาะแล้วตอนขากลับขากลับก็ได้มาแวะกราบท่านพัะลมไแม่สาย ก็ต้นขากลับก็ก็โชคดีอะเจ้าค่ะได้ได้แวะแวะมาตามทางมากราบครูบาอาจารย์ระหว่างทางปีนั้นรู้สึกเป็นปีทองเลยเจ้าค่ะได้ขัดเกลากิเลสน้องจางก็นั่งไปในรถน้องจางเพิ่งขัเรียวไทม์หล่ะแก้วันนั้นหมอก็เอาเอามุ้งมากลางไว้อย่างนี้เจ้าค่ะน้องโอเป็นรับ บอกว่าหลวงตาบอกว่าให้มาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าขบวนจะออกตั้ ง, งต 4. แต่ตีสี่ตอนแรกหมอบอกว่าก็อยู่เสื้อเจมแค่เนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจัดห้องนอนเนีน้องโอแล้วกับน้องเชนมั้งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ออกจากบ้านที่เสื้อเจมแล้วก็มาร่วมขบวนน้องก็ไม่ยอมไม่บอกไม่ได้คืนนี้ต้องมาค้า ง, ค ร, งครั้งที่วัดจะ่โอ้โหมหาเ จ, จริ์จริง เพราะว่าสถานที่วัดท้ำซับมืดนี่หมอว่าเป็นเป็นที่สุดยอดจริงเป็นสัพปยะะค่ะมีพลังบารมีเนะมีพลังของบารมีของครูบาอาจารย์ที่งปุรีกันมานี่นะเห็นเห็นเห็นเห็นในภาพไหมในไลน์ในแชทเห็นค่ะเห็นเออบุรีกันมานี่วันที่บุรีวะเนี่ยตอนที่ไปอ่ะสือ หลวงปู่จะออกต้องูอยู่ข้างบนปู่ไม่ลองเคยคุณปู่ฝากของไปรัดยาวไปแต่งไปแต่งห้าแล้เคยเข้าไปสอบสอนเย็นอ้าวเห็นมีลายสะพายสะพายเราตามมาเนี่ยหลวงปู่ตามมาเลยเลยรตามมาก็ดูดูหน้าตาท่านสดชื่นมากเลยจ้าสดชื่นมานตรงนี้อ่ะนตรงนี้เลยเนี่ยเออสะพายว่ะสะพาย อ๋อท่นมาม า, มาเองเลยหรือคหรือว่ามากับลวงตาโอ้ย ม, มาที่หลังะมาให้สบายท่าจะไปอีสานใช่ไปขึ้นกมลงตาท่านอยุเท่าไหร่จ๊งอง <80. S 2> 80, ค่ะหลวงปู่เหรออาหลวงปู่ลีแปดสิบแปดสิบแปดสิบยีงแปดเอ็ดแต่ว่านนเสียงเนี่ยวันนั้นวันนี้เนี่ยหลวงปู่วันนัตรงเนี้ยอยู่ในในไลก็เมีแ ต, แต่ว่ามีเสียงที่ เดี๋ยวเจ้าวาดถามหลวงปู่แล้วก็พอดีไม่รู้ว่าครูบาปอาเทศมาวางวันที่เมื่อไรพอดีเลยแล้วก็ถ่ายภาพไว้ได้มีภาพเป็นพยานหลักฐานปรากฏว่าขณะที่บรรจันเขียงที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุ บ, บันของที่เนี่ย<ะ>มากราบถามหลวงปู่ว่ามองแล้วเห็นโอ้หลวงปู่ใสมากเลยอ ะ, ะมองทะลุหมดเลยอ่ะแล้วก็ลํำพืนของโอ้หลวงปู่ใสมากเลยมองทะลุมากเลยแต่ ก, ก, ก็โอ้ศรัทธามากเลย เอาเลยถามหลวงปู่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่พูดภาษาอีสานนะหลวงปู่ก็เดี๋ยไม่พูดก็มองหน้าก่อนเดี๋ยวก็ถามต่อหนิห<อ>ลวงปู่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่หลวงปู่ก็หันมามองกู้หนึ่งอยู่กับผู้รู้แล<อ>้วหัวเราะว่าฟังฟังแต่ว่ายังจับต้นชนปลายไม่ได้แต่ววันนี้หลวงตาพูดเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่อยู่กับผู้รู้อ oh, ๋อท่านตอบว่าอยู่กับผู้รู้แต่ uh huh. ดีแต่รู้รู้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยท่านเนาะหัวเราะแล้วก็เราบอกว่าภาพภาพนี้เสียงเนี้ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ตลอดไปเพราะว่าคําถามที่พระถามหลวงปู่ดูลนตโรก่อนมรณภาพอะว่าหลวงปู่อยู่กับอะไรหลวงปู่ดูลนตโรอยู่กับรู้ แล้วก็เป็นเนี่ยเป็นเป็นคาสอนที่เป็นอมตะเลยอยู่กับรู้อยู่กับรู้นี่พอนี่มีทั้งภาพด้วยแล้วมีทั้งเสียงประกอบด้วยแล้วหัวเราะกันเอออยู่กับรู้ได้ฟังไหมติ๋ได้ฟังไหมใช่ถ้า้หลงตาไม่ได้คือเราไม่ได้อยู่ตรงเดียวมาอยู่กับรู้ไม่เดียวมา ตัวตัวอยู่ตรงไหนได้ติดูตรงไหนาได้ทำมาดังอะมาได้เหรอมะุมนอลยกุมออีนลายกลุ่มมีภาพอะอยู่กับรู้อะดูดูภาพเลยมีภาพหลวงปู่กับระเจ้าเกี่ยงแต่ภาพลงตาอยู่ได้ ใช่ใช่แล้วเสียงนนเนาะเห็นไห ม, ไมไเหม็นนะฮะเดี๋ยวเปิดสรอบไปเรืดีนะครับเดี๋ยวปป ไ, ปไปเอาไปเอ า, ไปเอาเครื่องภาพาใหญ่ๆให้ดูรหนี้นีย่ง ก็คุณนี่ยังเป็นเจ้ายังไมยอมยอมรับยังเป็นเจ้าชู้ก็ม่ผู้ ถามว่ามีอย่างเป็นเครื่องอยู่ใช่ทิสานแล้วสี่งนี้ตรงหลวงปุรีท่านตอบว่าได้ยินธรรมะผู้รู้อ่ะแต่ว่าหน้ากับหลังไม่ได้อยู่กับผู้รู้อ๋อยู่กับผู้รู้นะครัอย่างเป็นเครื่องอยู่มีอยู่เนผ้สอนปณิสีอย่างเป็นเครื่องอยู่ ก็ไม่รู้ไม่รู้ท่านจะไม่ตอบแล้วท่านในเงี้ยอยู่พักไหนอ่ะนี่ยังเป็นเครื่องยุกก็ไม่รู้ผู้สืงแค่เหมือนเด็กเด็กเลยนะครับเออใช่ใ เสียงหปูหลีอ่ะ บ, บุกเล่นท่านก็เหมือนเด็กๆนะคะบคุกเล่นท่้นเหมือนเด็กอลักเักคือคือท่านท่านหลวงหลวงปู่เขียนเหรอครับพระอาจารย์เขียนระอาจา ว, ว่าคนใหม่พระรอาจารเขียนอาจจะยังไม่มากเพราะอาจารย์เขียนถามว่ามีอย่างเป็นเครื่องอยู่ ถ, ถึงได้ถึงได้ แออเอ๋อถึงได้ใส่ตอนนี้เหรอฮะอ๋อแต่ท่านก็ถามอีกย้ำ อ, อีกทีนึงท่านไม่ตอบท่านก็ย้ำถามอีกทีนึงแต่แล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านจะไม่ตอบแล้วแต่ใ น, ในก็ถามก็ว่าหาตาท่านก็สดใสขึ้นเลย ว, วท่านมาอีอยู่ที่หมดเลยเหรอม า, าอยู่ประมาณ ต่อสามจุดสองสามจุสองช่วโมงไปกาญปนบุพีด้วย ม, มีภาพมีภาพเลย